สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิทิยาพิบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในสุภาษิตสองบทสุดท้ายแล้วนะครับคือบทที่30และ31ในวันนี้จะเริ่มต้นใ่บทที่30ข้อที่1นะครับสุภาษิตบทที่30ข้อที่1เราจะอ่านจนถึงข้อที่9ครับสุภาษิตบทที่30ข้อที่1ถึงข้อที่9โปรดฟังพระเจนะของพระเจ้าถ้อยคําของอากูมุตรชายยาเคแห่งเมืองมัตษา ฉนั้นพูดกับอทีอลกับอทีอลและอูคานว่าแท้จริงข้าก็เขลาเกินที่จะเป็นคนข้าไม่มีความรอบรู้อย่างมนุษย์ข้าไม่เคยเรียนรู้ปัญญาทั้งไม่มีความรู้ขององค์ผู้บริสุทธิ์ใครเล่าได้ขึ้นไปยังสวรรค์และลงมาใครเล่าได้รวบรวมลมไว้ในกำมือของท่านใครเล่าได้เอาเครื่องแต่งกายหอห่วงน้าไวใครเล่าได้สาปนาที่สุดปลายแห่งแผ่นดินโลกไว นามของผู้นั้นว่าอะไรและนามบุตรชายของผู้นั้นว่าอะไรท่านจะต้องรู้เป็นแน่เพราะชนะทุกคาของพระเจ้านั้นพิสูจน์เห็นจริงแล้วพระองค์ทรงเป็นโลแกบ่บรรดาผู้ลี้ภัยอยู่ในพระองค์อย่าเพิ่มอะไรเข้าไปไปกับพระวจนะของพระองค์เกรงว่าพระองค์จะทรงขนาบเจ้าและเขาจะเห็นว่าเจ้าเป็นคนมุษาข้าพระองค์ขอสองสิ่งจากพระองค์ ขออย่าทรงปฏิเสธที่จะให้ข้าพระองค์ก่อนข้าพระองค์ตายขอให้ความมุสาและความเท็ดไกลจากข้าพระองค์ขออย่าประทานความยากจนหรือความมั่งคั่งแก่ข้าพระองค์ขอทรงเลี้ยงข้าพระองค์ด้วยอาหารที่พอดีแก่ข้าพระองค์เกรงว่าข้าพระองค์จะอิ่มและปฏิเสธพระองค์แล้วพูดว่าพระเจ้าเป็นผู้ใดเล่าหรือเกรงกลัวเกรงว่าข้าพระองค์จะยากจนและขโมยและกระทาให้พระนาม พระเจ้าของข้าพระองค์เป็นมนถินพี่น้องครับในบทที่30และบทที่31นั้นผู้เขียนนั้นไม่ใช่โซโลมอนอีกต่อไปแล้วผู้เขียนก็คืออากูนะครับและเราไม่รู้ที่มาที่ไปของอากูครับและอีกคนหนึ่งในบทที่31ก็คือเลมูเอลเราก็แค่รู้ว่าเลมูเอลนั้นพระองค์เป็นพระราชาแห่งมัตสาพี่น้องครับอากูนั้นชื่อของเขาก็ แปลว่าผู้รวบรวมครับและนักวิชาการบางคนก็แปลว่าเนรเทศแต่ผมชอบคําแปลที่ว่าผู้รวบรวมครับเพราะว่าเขาเป็นผู้รวบรวมสุภาสิตในบทที่30ให้เราฟังพี่น้องครับเนื้อหานั้นก็ตั้งแต่อยู่ในข้อที่2ในเช้าวันนี้เราเห็นว่าเนื้อหานั้นเริ่มต้นข้อที่2จนถึงข้อที่9นะครับเนื้อหานั้นเริ่มต้นข้อที่2จนถึงข้อที่9 และเราสามารถที่จะแบ่งเนื้อหาได้ออกเป็น3ตอนได้ครับตอนแรกก็คือในข้อที่2ถึงข้อที่4ความไม่รู้จักพระเจ้าของมนุษย์ครับเป็นการที่อากูนั้นได้ยอมรับและถ่อมใจมากที่บอกว่าแท้จริงแล้วถ้าหากว่าพระเจ้าไม่เปิดเผยพระองค์องเองให้กับเรารู้เราไม่มีทางรู้ถึงพระเจ้าองค์บริสุทธิ์เพราะว่ามนุษย์นั้นเป็นคนเขลาเกินไป นั่นหมายความว่าเลยครับหมายความว่าท่านเองนั้นก็ถ่อมใจในขณะเดียวกันครับท่านก็รู้ว่าพระเจ้านั้นสูงส่งและบริสุทธิ์มากท่านเรียกตัวเองว่าเป็นคนเข่าที่สุดในบรรดามนุษย์ท่านอาจจะเขียนในลักษณะของปรชดประชันนิดนิดนะครับแต่หากเป็นเช่นนั้นจริงท่านก็เปรียบเทียบตัวเองกับใครบางคนที่อวดอ้างว่ามีสติปัญญาพวกที่เยื่อหยิ่งครับพวกที่เย่อหยิ่งนั้นมักจะคิดว่าตัวเองนั้นมีสติปัญญาสูงแต่คนที่ฉลาดกว่า คนที่มีสติปัญญามากกว่าก็คือคนที่ถ่อมใจและเรียนรู้เพราะเขาคิดว่าตัวเองนั้นโง่ยังไม่มีความรู้เพียงพอคนที่ท่านท้าทายให้ตอบในข้อที่สีครับบอกว่าใครเล่าได้ขึ้นไปยังสวรรค์และลงมาเห็นไหมครับท่านพยายามที่จะบอกว่าแท้จริงแล้วตัวท่านเนี่ยไม่สามารถตอบได้และไม่มีใครตอบได้ด้วยนั่นแสดงว่าท่านเองนั้นถ่อมใจแท้จริงนั้นท่านเป็นคนที่มีสติปัญญาสูง พี่น้องครับการถ่อมใจของคนที่มีสติปัญญานั้นเป็นความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีเราจะต้องถ่อมใจแม้ว่าเราจะมีสติปัญญาระดับไหนก็ตามยิ่งเรามีสติปัญญาสูงกว่าคนอื่นเรายิ่งต้องถ่อมใจมากกว่าคนอื่นครับเราจะเห็นว่าอากูนั้นเป็นคนที่มีสติปัญญาแน่นอนครับแต่ก็ถ่อมใจเพื่อที่จะรู้จักกับพเจ้าท่านถ่อมใจคิดว่าตัวเองนั้น มีความสามารถไม่เพียงพอหรือมีสติปัญญาไม่เพียงพอหรือไม่มีเหตุผลเพียงพอที่จะเข้าใจพระเจ้าและท่านรู้สึกถึงการขาดปัญญาของท่านความอ่อนด้อยในการที่ท่านจะรู้จักพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้านั้นเป็นพระเจ้าผู้ไม่ทรงจำกัดท่านไม่สามารถรู้จักด้วยตัวเองได้เพราะฉะนั้นพี่น้องครับเราจะเห็นนะครับว่าการรู้จักพระเจ้านั้นเป็นพื้นฐานของปัญญาที่แท้จริง พระมังพีสุภาษิตได้พูดหลายตอนครับความยำเกรงพระเจ้านั้นเป็นบ่อกเกิดแห่งปัญญาซึ่งรู้จักองค์บริสุทธิ์นั้นก็คือเป็นความรอบรู้เพราะฉะนั้นในข้อที่4ครับเราจะเห็นนะครับว่าคําตอบเดียวของ5คําถามในข้อนี้คําถามในข้อนี้คือใครเล่าได้ขึ้นไปยังสวรรค์ได้ลงมาใครเล่าได้รวบรวมลมไว้ในกํามือใครเล่าได้เอาเครื่องแต่งกายหอห่วงน้ําไว้ใครเล่าได้สถาปนาที่สุดปลาย แห่งแผ่นดินโลกและชื่อหรือนามของผู้นั้นว่าอะไรมีคำถามอยู่คําคำถามครับพี่น้องครับคำตอบเดียวของทั้งคําคำถามนี้คือคำว่าพระเจ้าพระเจ้าเท่านั้นที่สามารถขึ้นไปยังสวรรค์และลงมาได้ทำให้ระลึกถึงองค์พระเยซูคริสต์ครับพระบุตรของพระเจ้าพระเจ้าเท่านั้นที่สามารถยึดลมไว้ได้ในพระหัตถ์ของพระองค์ก็คือควบคุมลมได้ โปร่งชงห่อน้ําไว้ด้วยเครื่องแต่งกายของพระองค์ก็อาจจะหมายถึงเมฆครับนะเมฆนั้นก็มีน้ำอยู่ข้างในเมื่อฝนตกน้านั้นก็ถูกปล่อยลงมาเมฆนั้นก็หายไปและพระเจ้าเท่านั้นที่วางแผ่นดินโลกไว้ในที่ของมันและคําถามสุดท้ายครับก็คือว่าน้ำของผู้นั้นว่ากะไรและนามของบุตรชายว่ากะไร นั่นคือคำถามที่บอกพูดถึงพระลักษณะของพระเจ้าครับและพระลักษณะของพระเจ้านั้นเผยให้กับใครใครบ้างครับที่เป็นบุตรของพระเจ้าท่านต้องรู้เป็นแน่พี่น้องครับนี่คือสิ่งที่อากูนั้นสะท้อนถึงความปรารถนาของอากูที่จะรู้จักพระลักษณะของพระเจ้าและพระเจ้าได้เปิดเผยพระลักษณะและถ่ายทอดลักษณะของพระองค์นั้นและความรู้ที่เกี่ยวข้องกับว่าพระองค์เป็นใคร พระองค์มีพลักษณะเป็นเช่นไรพระบุคลิกภาพของพระองค์เป็นอย่างไรนี่นะครับสำคัญมากและคำตอบต่อมาก็คือว่าเราเองนั้นได้รับการเปิดเผยชำแดงจากพระวจนะของพระเจ้าพี่น้องครับเราจะเห็นขั้นตอนและโครงสร้างความคิดของอากูนั้นและว่าแยบยนต์มากทีเดียวท่านใช้คำถามและตอบคำถามในข้อที่2นะครับ ท่านก็บอกว่าตัวเองนั้นไม่มีความเข้าใจก็เลยถามต่อว่าในข้อที่สี่ว่าใครเป็นใครและในข้อที่ห้านั้นก็เป็นคำตอบครับเพราะวจนะทุกคำของพระเจ้านั้นพิสูจน์เห็นจริงแล้วพระองค์ทรงเป็นโลแกบรรดาผู้รีภัยอยู่ในพระองค์อย่าเพิ่มอะไรเข้ากับพระวจนะของพระองค์เกรงว่าพระองค์จะทรงขนาบเจ้าและเขาจะเห็นว่าเจ้าเป็นคนมุสาพี่น้องครับ นี่คือประเด็นที่2ของพระคัมภีร์ตอนนี้คือบทที่30ข้อที่1ถึงข้อที่9ประเด็นที่2คืออะไรครับก็คือความรู้เรื่องพระเจ้าของมนุษย์นั้นเกิดมาจากพระวจนะของพระเจ้าพี่น้องครับในข้อที่4นั้นอากูบอกว่าเขาไม่สามารถหรือความสามารถของมนุษย์นั้นมีจํากัดที่จะรู้จักพระเจ้าด้วยตัวเองและในข้อที่6กนั้นแสดงถึงวิธีที่พระเจ้าจะเป็นที่รู้จักได้ก็คือโดยผ่านทางพระวจนะของพระเจ้า พระเจ้านั้นได้สำแดงพระองค์เองผ่านทางพระจชนะของพระเจ้ามนุษย์จึงไม่อาจคิดถึงพระเจ้าและปั้นพระเจ้าขึ้นมาด้วยตัวเองหรือที่เรืเียกในสมัยใหม่นีว่ามโนพระเจ้าขึ้นมาเองแต่มนุษย์นั้นต้องศึกษาพระจชนะของพระเจ้าศึกษาพระกัมภีเพื่อที่มนุษย์จะรู้จักกับพระเจ้าพี่น้องครับวิธีที่พระเจ้าจะให้มนุษย์รู้จักก็คือโดยทางพระจชนะของพระองค์ พระองค์ได้ทรงสัมดงจพระองค์ผ่านโรจนะของพระองค์และพระกัมภีร์ซึ่งเป็นพระวจนะของพระเจ้านั้นเป็นพระกัมภีร์ที่ไม่มีข้อผิดพลาดครับผู้ที่วางใจในพระเจ้ามีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับพระองค์ก็จะได้รับการปกป้องจากพระองค์ในข้อที่5ได้บอกว่าพระวจนะทุกคําของพระเจ้าพิสูจน์เห็นจริงแล้วหมายความว่าไม่ผิดพลาดและในขณะเดียวกันครับคนที่เชื่อฟังโรจนะของพระเจ้านั้นเขาก็จะได้ประสบการณ์การพิสูจน์ตรงนี้ และเห็นว่าพระเจ้านั้นทรงเป็นโล่แก่บรรดาผู้ลี้ภัยในพระองค์แพบชัดเจนครับว่าพระเจ้านั้นทรงปกป้องปกป้องคนของพระองค์คนของพระองค์ก็จะต้องรู้จักพระองค์ด้วยว่าพระองค์นั้นทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงปกป้องพระองค์ทรงเป็นโล่แก่บรรดาผู้ลี้ภัยในพระองค์ดังนั้นเองคําเตือนในข้อที่6นะครับไม่ให้เพิ่มอะไรเข้ากับพระวจนะของพระเจ้าหมายถึงอันตรายของการเพิ่มเติมครับ การคาดคะเนของมนุษย์กับรวมกับการสำแดงของพระเจ้านี่อันตรายครับมันจะเกิดคำสอนที่ผิดเพี้ยนออกมามนุษย์ควรจะได้รับความเข้าใจเรื่องของพระเจ้าจากพระวจนะของพระเจ้าไม่ใช่จากความคิดของตัวเองฉะนั้นพระเจ้าจึงทรงตักเตือนคนที่คิดว่าตัวเองสามารถรู้เรื่องพระเจ้าได้มากกว่าที่พระองค์ทรงสาแดงพระองค์เองอันนี้อันตรายมากครับ ใครก็ตามที่มโนโคิดว่าตัวเองสามารถรู้เรื่องพระเจ้ารู้จักกับพระเจ้าได้มากกว่าที่พระองค์ทรงสำแดงอันนี้พระเจ้าจะไม่ปล่อยไว้ครับอันที่จริงหลายหลครั้งทีเดียวที่คนบางคนบางกลุ่มนั้นออกลอกนอกลูก่นอกทางไปไกลจนกระทั่งพระเจ้าเรียกเขาว่าเป็นคนมุษาพี่น้องครับอย่าเพิ่มอะไรเข้ากับพระวจนะของพระเจ้าอย่าไปตู่ ว่าตัวเองนั้นรู้จักพระเจ้าและสามารถเข้าถึงพระเจ้าได้มากกว่าคนอื่นๆและสถาปนาเรียกตัวเองว่าเป็นคนกลางระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์เพราะว่าเหตุที่ว่าไม่มีคนกลางอื่นใดเว้นแต่อง์พยสุคริตเท่านั้นบางคนนั้นชอบยกตัวเองขึ้นมาเป็นคนกลางเราจะต้องระมัดระวังให้ดีและพระเจ้าจะกรหนาบเขาเองครับและในที่สุดเขาจะเป็นคนที่ถูกกล่าวว่าเป็นคนมุษา อันดับต่อไปก็คือเป็นประเด็นที่3ครับคำอธิษฐานของมนุษย์ต่อพระเจ้าในข้อที่7และข้อที่9ผมขออนุ ญ, ญาตยกไปเป็นวันพรุ่งนี้นะครับขอพระเจ้าช่วยพี่น้องทุกท่านในการที่เราจะเป็นผู้ที่อ่านพระวจะนะของพระเจ้าทุกวันครับผู้ที่จะเข้าใจพระเจ้ามากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆทุกวันครับเพื่อที่ชีวิตของเรานั้นจะมีที่รีดภยัยมีผู้ที่ช่วยเรา อยู่ตลอดเวลาในฐานะที่เราเป็นลูกของพระเจ้าเรามีพระวจะนะของพระเจ้าและผู้ที่ช่วยเราอยู่ตลอดเวลาก็คือองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ทรงสถิตยอยู่ในเราอาเมน